วันมงคลได้เวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้นะเป็นวันมหามงคลเลยนะพวกเราชาวพุทธคงระลึกได้นะวันนาสารหับูชาเป็นวันสำคัญสำหรับชาวพุทธเพราะว่าเป็นวันที่ชวนให้เราระลึกนึกถึง พระพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์เป็นวันที่พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาปฐมเทศนาคือว่าการแสดงธรรมครั้งแรกแล้วก็เป็นการแสดงธรรมที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นการสรุป เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทำให้พ้นทุกข์มาบอกกล่าวคนที่ได้ฟังคนแรกนะได้ฟังแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็คือพระโกนทัญญะตอนหลังก็ มีคนบรรลุธรรมตามมาอีกนะจนกระทั่งได้เป็นพระอรหัน ต, ต์ก็คือปัญจวัคคีย์ทำให้มีพระสมกลุ่มแรกเป็นนั้นว่าพระพุทธธรรมผสมครบนะครบสพรันตนักรัยวันนี้พวกเราก็มาทำบุญกัน ลูกหลานที่ไปทำ ง, งานกรุงเทพบ้างจังหวัดใกล้เคียงบ้างนะก็ต้องมาวันนี้นะมาวันนี้เพื่อมาทำบุญวันนี้เนี่ยก็จะมีการเวียนเทียนด้วยนะปีหนึ่งชาวพุทธเราเวียนเทียนได้กี่ครั้งนะ วันมาพระวันวิสาขาวันนาสาระัะแล้วก็บ้านเราก็เติมอีกนะวันอภอกษฐรษานะมาทำบุญเพื่ออะไรนะมาทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของเนะท่อเป็นสิริมงคลก็เพราะว่าไม่ใช่แค่ทำอาหาร ที่บ้านอย่างเดียวแต่เอามาถวายพระก็เป็นการต่ออายุเป็นการให้เลือดให้เนื้อให้กับพระสงฆ์แล้วก็ลงถึงแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมก็จะได้บำเพ็ญสืบต่อศาสนาให้กับกลูกหลานของเรา และขณะเดียวกันก็จะได้สอนธรรมให้กับพวกเราด้วยล้ามาทาบุญนอกจากมาถวายอาหารหวานคาแล้วนะก็มาเพื่อฟังธรรมเพื่อศึกษาธรรมมาถวายอาหารแล้วกลับไปก็จะกลับไปเหมืองป่านะ เอาธรรม ะ, ะติดอกติดใจกลับไปด้วยหลายคนตั้งใจจะมาทำบุญโดยเตรียมอาหารเรียกว่าตื่นมาตั้งแต่ตีสตีหบางคนก็ทำตั้งแต่เมื่อคืนตั้งใจมาถวายอาหารให้กับพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีถวายแล้วนี่ก็ยังก็ต้องมีอะไรติดไปบ้าง ถึงแม่ไม่ได้ติดมือไปก็อติดติดใจเจ้าของก็คือทำ ม, มากนี่แหละพุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าภพรรษาแล้วนะวันข้าวพรรษาก็เป็นวันสำคัญมันไม่ใช่สำคัญเฉพาะพระนะนะพวกเราชาวพุทธก็ไปเข้าใจว่าวันข้าวพรรษาที่สำคัญแต่แตแตเฉพาะพระสงฆ์หรือแม่ชีก็คือว่า เป็นวันเริ่มต้นของการเข้าพรรษามันเป็นวันสำคัญสำหรับพ่ออ๋อแม่โอ๋สำหรับญาติโยมอุบาสิกาด้วยถึงแม้ว่าราชการจะให้หยุดเฉพาะวันอาสาฬหาะนะวันพรุ่งนี้นี่ไม่ได้หยุดนะเพราะเขาคิดว่าเป็นวันสำหรับพร ะ, ะพระนี่ไม่ไปทางานโยมไปทางาน ก็ให้หยุดเฉพาะวันอาสาฬหะพอเขาคิดว่าวันอาสาฬหานี่เป็นวันของพระของโยมส่วนวันเข้าพรรษานี่เป็นวันของพระนะยโยมก็เลยไม่ได้หยุดแต่นะที่จริงมันก็สำคัญสำหรับญาติโยมด้วยนะมันเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลแห่งการทำบุญสร้างกุศล ปีหนึ่งปีหนึ่งนะก็มีสามฤ ด, ดูนะฤ ด, ดูร้อนฤ ด, ดูฝนฤ ด, ดูหนาวพอถึงฤ ด, ดูฝนนะก็จะมีฝนตกลงมาทำให้ต้นไม้ใบหญ้าเขียวกับจีป่าก็อุดมสมบูรณนะ์ไปที่ไหนก็มีน้ำ ทำไร่ทำนาได้มองไปทางไหนก็สดชื่นนะเห็นต้นไม้เขียวโลกเนี่ยเขียวได้ก็พอนะมีฤ ด, ดูฝนนะคนเราก็เหมือนกันนะคนเราปีหนึ่งปีหนึ่งมันก็เหมือนกับมีฤ ด, ดูเหมือนกันเราควรที่จะ ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีฤดูฝนด้วยชีวิตคนเรานี่ถ้ามันไม่มีฤดูฝนมันมีแต่ฤดูแรงฤดูหนาวฤดูร้อนนี่มันทุกข์นะมันแห้งแรงคนเราที่ต้องรู้จักนะทให้เกิดฤดูฝนในชีวิตของเราฤดูฝนนี่สาหรับชืวิตของเราหมายถึงอะไรนก็หมายถึงการที่มีจิตใจชจ่มชื่นเบิกบาน ไม่ใช่เขียวแต่ต้นไม้ไม่ใช่สดใสแต่ต้นไม้นะแต่จิตใจเราก็สดใสด้วยนะสดใสได้เพราะอะไรเพราะธรรมะเข้าภาษาเนี่ยเป็นเป็นโอกาสนะที่จะทำให้ชีวิตจิตใจเราเนี่ยมันสดใสช่ำชื่นเบิกบานเหมือนกับต้นไม้ วิจิตใจเราเนี่ยจะสดใสช่มชื่นได้เพราะอะไรเพราะธรรมะต้นไม้เนี่ยมันเขียวสดใสได้เพราะมีฝนส่วนจิตใจเราสดใสได้ก็เพราะธรรมะต้นไม้นี่มันให้ความร่มเย็นแก่กายเ ย, เย็นกายในร่มไม้ แค่นั้นไม่พอนะมันต้องสุขใจด้วยแล้วจะสุขใจยังไงสุขใจในร่มธรรมนะพวกเราเวลาทำไร่ทานาก็ถ้ามันแดดร้อนก็ไปหลบอยู่ในร่มไมนะ้แต่คนเรานี่จะให้แต่จะจะแสวงหาแต่ความเย็นกายอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องเย็นใจสุขใจก็ต้องรู้จัก หาร่มธรรมแสวงหาร่มธรรมนะไม่ใช่แต่หาร่มไม้เย็นกายในร่มไม้สุขใจในร่มธรรมล่มธรรมมาจากไหนนะว่มธรรมไม่ได้อยู่ที่วัดที่เดียวนะบางคนนี่ร้อนจิตใจรุวมร้อนก็มาวัดมาหาความสงบเย็นแต่ว่าร่มธรรมนี่มันไม่ได้อยู่ที่วัดนะอย่างเดียวมันอยู่ที่บ้านเราก็ได้ แล้ที่จริงมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละต้องทําให้ในใจเรานี่มันมีร่มธรรมถ้าใจเรามีร่มธรรมเราก็จะเย็นนะร่มธรรมนี่ก็ทําได้นะเด็กน้อยก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้เหมือนกันมันให้ทานมันรักษาศีลนะ่ะ ค้าวพษานี่ให้ถือว่าเป็นเทศกาลที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นเทศกาลที่ต้องช่วยกันปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าปฏิบัติธรรมในช่วงนี้อันนี้สงหลายนะให้เรานึกว่านี่ข้าวพรรษาเนี่มันเป็นเทศกาลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องนะมันทำความดีสร้างบุญสร้างบุศนรักษาศีลรักษาธรรม ไม่ใช่แค่ใส่บาตรทุกวันทุกเช้าไม่ใช่แค่รักษาศีนทุกวันพระนะแต่ว่าควรจะทําทุกวันนะศีนนี่แหละนะรักษาทุกมือแต่ว่าวันศีลก็อาจจะทําให้จริงจังหน่อยแทนที่จะรักษาศีลห้าก็รักษาศีลแปทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันเพื่อให้ เป็นการลดนะลดกิเลสในใจลดความเห็นแก่ตัวในจิตใจลดความรว้ความหลงความโกรธในจิตใจพอลดแล้วในจิตใจมันก็จะสงบเย็นเบาสบายนะอย่าปล่อยให้พักปฏิบัติธรรมแต่ผู้เดียวอย่าปล่อยให้แม่ชีปฏิบัติธรรมแต่ฝ่ายเดียวนะพวกเราเนี่ยอยู่บ้านก็ต้องปฏิบัติธรรม อย่าน้อยๆก็รักษาศีลห้าโดยเฉพาะนะเรื่องการกินเหล้าเมายารวมไปถึงการเล่นนายมุกนะก็ให้มันลดน้อยถอยลงหน่อยที่จริงศีลข้ออื่นก็สำคัญนะการไม่ฆ่าสัตว์การไม่าารักขโมยนะไม่รักขโม ย, มยไม่รักขโม ย, มมยเงินทองทรัพย์สมบัติของใคร อันนี้ลบถึงว่าเป็นนี่ใครก็จ่ายด้วยนะไม่ใช่เบี้ยวชักดาบเนี่ยการเบี้ยวการชักดาบนี่ก็ถือเป็นการรักขโมยแบบหนึ่งเนี่ยยืมเข้ามาแล้วไม่จ่ายเนี่ยก็เป็นการรักขโมยก็ผิดศีเหมือนกันนะการผิดประเวณีนะอันนี้ก็มันสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นแล้วก็ตัวเราด้วยการโกหกการกล่าวไลยใสย่ไลย ต่อว่าดอทผู้ใจหยาบคายเนี่ยก็ให้ระงับลงบ้างนข้อบรรษานี่ให้ถือว่าเป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์นะเวลาเรามาวัดเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่อยากทำชั่วนะคนไทยเราเวลามาวัด น, นี่ก็ตั้งใจจะไม่ทำชั่วบางคนก็ไม่ตบยุงนะตบยุงในวัด น, นี่ถือว่าบาปหรือว่าบางคนก็พยายามที่จะไม่โกหกนะ ไม่กินเหล้าในวัดอันนี้ดีแล้วแต่ว่าช่วงข้าบรรซาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอยู่บ้านอยู่ไร่อยู่นาก็ขอให้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็คือว่านะพยายามไม่ผิดศีลไม่ทําชั่วนะไม่ใช่ว่ามศาศรักษาศีลในวัดนะแต่ว่าพอไปอยู่บ้านนะอยู่ไร่อยู่นาก็กินเหล้าเมายารักขโมยเนี่ยเนี่ย มันเป็นบาปนะแล้วก็ถ้าทำบาปในช่วงเข้าบรรษานี่โอ้มันมันแย่นะช่วงเวลาที่สักเสร็์นะก็คือช่วงเข้าบรรษาออกพรรษานี่แหละรักษากายวาจาใจของเราให้ดีมันจะมีอนิสงส์มากนะคราวนี้เนี่ยเวลาพูดถึงการทำความดีสร้างหุนสร้างบุญศรนี่หรือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ย อย่าคิดว่ามันมีแต่แค่การให้ทานรักษาศีลคือศีลห้าเท่านั้นหรือศีลแเท่านั้นนะมันมีมากกว่านั้นนะธรรมะทั้งหลายที่ผู้เจ้าสอ น, นไปมาปฏิบัติก็เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่ให้บุญให้กุศลทั้งสิน้นนะเช่นการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นนะการช่วยเหลือส่วนรวมอย่างช่วงเข้าพรรษานี มันก็มีการปลูกป่านะถ้าพวกเราช่วยกันรักษาป่าอย่างที่เคยทำมาถ้าพวกเราช่วยกันรักปูป่าปลูกต้นไม้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างบุญสร้างผุญสนหรือการที่พวกเราช่วยเหลือส่วนรวมนะปีนี้นี่บ้านเราเนี่ยนะมีความตั้งใจในเรื่องการรักษาป่ามีการร่วมมือกัน ไม่ใช่ปล่อยให้พระทำฝ่ายเดียวนะไม่ใช่ปล่อยให้กรรมการป่าทำฝ่ายเดียวตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันนะแบ่ ง, แ บ, งแบ่งงานกันแบ่งที่ให้ช่วยกันรับผิดชอบคนละไล่2องไล่นะแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาป่าด้วยปลูกต้นไม้เพื่อประโยชน์ของพวกเราเองด้วย เอาไวนะ้ทำมาหากินด้วยอันนี้เป็นเรื่องดีนะปีนี้เราเริ่มต้นทำกันนะโดยเฉพาะคนเหมือนคนสาวชักชวนมาช่วยกันดูแลป่านะอันนี้ถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันนะเพราะว่าเราทำเพื่อส่วนรวมเรามีเจตนาดีก็ขอให้มีความตั้งใจมีความขยันนะรับผิดชอบ แล้วก็มีความ อ, อดทนอดกลั้นบางทีการทำงานเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความสมัครคีมไม่ใช่บางทีะนะทุกงานต้องอาศัยความสมัครคีความสมัครคีจะเกิดได้ก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นเพราะคนเรามันต่างติตต่างใจนิสัยก็ไม่เหมือนกันนะบางทีเราข ย, ยันแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ข ย, ยัน บางทีเราตั้งใจแต่คนหนึ่งก็ตั้งใจน้อยไปหน่อยเราก็ต้องอดทนหนุนกลั้นอย่าไปโกรธอย่าไปว่านะนะพูดกันดีๆนะชักชวนกันด้วยคาพูดที่ไพเราะนะเลือกปิยะวาจานะบ้านเรานี่ถ้าสามัคคีกันนะโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวซึ่งยังมาเป็นกําลังของบ้านเราในวันข้างหน้านะถ้าเรามีความ มีอดความอดทนอยกล้ามมีความสามัคคีนะช่วยเหลือส่วนรวมกันอย่างจริงจังนะการรักษาป่าการฟื้นฟูป่าไปจนถึงการพัฒนาหมู่บ้านเรานะก็จะเจริญก้าวหน้าปีนี้ก็มีคนหยิบยื่นโอกาสนะให้กับพวกเราหลายอย่างนะเช่นโอกาสในการทำวิสาหกิจชุมชน นะโอกาสในการฟื้นฟูนฟนบูรณะป่าของเราหลายหน่วยงานก็จะยื่นมือมาช่วยแล้วก็ไม่ได้มาช่วยป่าอย่างนี้แต่เขามาช่วยเราด้วยนะเพราะว่ามันก็ทำให้มีรายได้นะเอาไว้เลี้ยงตัวได้เกิดทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะก็ขอให้พวกเราเนะีตั้งใจนะอันนี้ก็เป็นการทำความดีเหมือนกันนะเป็นการสร้างบุญสร้างบุญศนนะ บางคนไม่มีเวลามาวัดไม่มีเวลามาจําศีลแต่ว่าก็ชักชวนเพื่อนนะไปช่วยกัน ร, รักษาป่าช่วยกันฟื้นฟูป่าแล้วก็ช่วยกันเพิ่มพูนพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นทําให้บ้านเรามีความกลมสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นการทําบุญทำกุศลเหมือนกันนะนะโอกาสนะในช่วงข้ามพรรษานี่นะมันเป็นโอกาสดีนะ อาตมาเห็นกําลังศรัทธาพวกเราแล้วนี่ก็น่าชื่นใจนะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยอาหารที่มานํามาถวายก็เยอะแย ะ, สะแสดงถึงศรัทธานะถ้าพวกเราเอาศรัทธานะและความเพียรพยายามนะในการถวายในการทําอาหารพระนี่มาใช้ในการประพฤติปฏิบัติตธรรมนะมีความเพียรในการรักษาศีลมีความเพียรในการปฏิบัติตธรรมช่วยเหลือบูคนะ่คณะ อันนี้ก็จะประสบแต่ความเจริญนะปีนี้อาามานะไปตามภาษาที่สุกโตนะแต่ว่าก็จะนะแวะเวียนมาที่ภูหลวงพยายามทำให้ได้นะเอาทุกอทิตย์นะแต่ ก, ก็มาแล้วก็อยู่ได้ไประเดียวเดียวก็ต้องไปนะก็ฝากวัดเอาไว้นะให้อาจารย์สรุปแล้วก็บูคณะนะช่วยดูแลรวมทั้งแม่ชีด้วยนะ ปีนี้พระาอาจจะน้อยนะแต่ว่าก็ยังต้องพึ่งพระอาศัยอาหารของญาติยโยมนะเวลาไปบิณฑบาตก็ช่วยเลี้ยงดูด้วยนะแต่ว่าอย่าใส่อาหารเยอะนะตอนนี้ก็ใส่พอประมาณกับข้าวก็เหมือนกันนะเพราะว่าพระน้อยนะปีที่แล้วนี้พระเจ็ดากาดรูปช่วยกันขนทีนี้พระน้อยน ะ, ะถ้าใส่มากเกินไปนะพระท่านก็ ลําบากนะกว่าจะกลับมาถึงวัดการเป็การลงโทษพระไปนะแทนที่จ ะ, อ, ะอุปถัมภ์ดูแลท่านนะก็ให้แต่พอประมาณนะแต่ก็อย่าให้ขาดนะแล้วนะก็อนุโมทนาอีกครัง้งหนึ่งนะที่พวกเรานะมาทั้งลูกเด็ ก, ดกแดงทั้งผู้เฒ่าผู้ชาราหนุ่มสาวได้มาร่วมกันทําบุญเป็นการสืบทอดประเพณีแล้วก็เป็นการ มาเติมสิ่งดีดให้กับจิตใจนะให้ชีวิตของเรานะมันมีธรรมะเป็นที่พึ่งให้จิตใจของเรามีความร่มเย็นนะแล้วก็อย่าลืมนะข้าวสารนี้ก็ขอยเป็นเทศกาลแห่งแห่งการทําบุญทาบุศสเพื่อมันมีความศักดิ์สิทธิ์นะอย่างแท้จริงที่สุดที่ขอห้างคุณพระศิ ร, ริธรรมนาฏไตยอำนวยโอลโผลให้ทุกท่านทุกคนได้เจริญด้วยอายุวรนนะาสุขาพะละ ลนะอยอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกข้าถึงความสุ ก, กเกษมสารนะทั้งชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวนะทำงานก็ให้สําเร็จนะอยู่เย็นเป็นสุขนะให้เข้าถึงความกเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยการทุกคนเทิร์นเตรียมรับพรยะถาวริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารัง พวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวามววาิโตทินนางเปตานำอุปกรารปฏิทานที่ทานอุทินให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ศีัทธาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิชิตังปทิตังตุ้มหังอธจดผลที่ท่านปรารถนาแลตั้งใจแล้วอิบมเมวาสมิชาตู จงสำเร็จโดยชาพราณสาเพภูเรนตุสังกปะอความดำริดั่ ง, ง, งวงจมเต็มที่จันโทปนารโสยธาเนื้อพระจันในวันเพนมานิโชติราโซยธาเนืแกมณียสวัสดิผลยิ น, นดีสาพิโยวิวาันตปานจรายแั้งวงจมบัมราไปสาพรโรภินาสตุ โรกทางดวงของท่านจงหายมาเตพวาตวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีเหคาโยโกอวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยือาภิวาทานาสิเลกนิจังกุฏาปจายโนตาโรธรรมวาทางติอายุวันโนสุขังวาลัง สี่ประการคืออายุวันนาสุขะเพละยอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติออนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิราวานทุสาพริมังคลังขอสาพริมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพริเทวตาขอลาเทวตาทั้งภูจงรักษาท่านสาวพพทิอนุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแหา่งพระธรรมสาพาสังพาอนุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ทาโสติภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ด้านดวงเมื่อเถิดปฏิสังขายุนิโสปิฏฐปาดามปฏิสเส ว, วามิ เทวทวายนมธายนันายนวิโพธนายายาวเทวิมาสะกายสนิตยาปนายาโภรติยาพระมัจเริยนุภาหียะติโมรานจเวทนังวิหังามินวันเะเวทนานภาเดสามิยตราชเวโเวสตินาวะจาพสลิหั